212กามสุขมันเป็นนิพพานในปัจจุบันได้อย่างไรซึ่งความชัดเจนนั้นก็คือผู้ยังมีอัตตาก็จะหลงอิ่มเออบพรั่งพร้อมเพลดิดเพลินอยู่ด้วยกามคุณห้าเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฉะนั้นจึงเป็นอนันบรรลุนิพพานปัจจุบัน ซึ่งเป็นธรรมะอย่างยิ่งประมะทิฐถธรรมนิพานัปัตโตนี้คือผู้เสพการมคุห้าเป็นนิพพานในปัจจุบันทิฐถธรรมนิพพานพระไตรดกเล่ม9ก้าข้อห้าสและความจริงอีกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานาังปรมังสุขขังซึ่งหมายความว่า นิพพานนั้นก็คือสุขอย่างยิ่งตามที่ผู้ยังอวิชชาก็จะหลงสุขกันอยู่จึงจะยังหลงอยู่ว่าในโลกนี้ต้องมีสุขมันมีความซับซ้อนอยู่อย่างมีในยะสําคัญก็คือคนที่ยังมีอัตตาเพราะวิปลาสสีเต็มบ้องนั่นเองหลงนิพพานในปัจจุบันก็คือผู้เสพกามคุณห้า มันรู้นิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมะอย่างยิ่งปรมาทิฐตธรรมะนิพพานับปโตแต่มันไม่ใช่ความจริงมันนิพพานวิปลาสแท้เพราะวิปลาสสี่ไปกับสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนสิ่งที่ไม่น่าพึงใจอสุภะว่าน่าพึงใจสุภะ แท้จริงคนผู้นี้กําลังอยู่กับฝันที่ตนสุขอย่างยิ่งปรมังสุขขังซึ่งเป็นนิพพานวิปลาสตามที่เขาผู้นี้ได้สุขอย่างยิ่งนั้นในปัจจุบันนั้นนั้นอันเป็นฝันของคนลืมตาอยู่มีปัจจุบันนี่แหละที่อวิชชาแท้และเขาก็งมงายสุขอยู่กับกามคุณห้าสุขคลิกะ เป็นประมาทิฏฐธรรมะนิพพานปะโตบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งเศกามสุขเป็นนิพพานปัจจุบันทิฏฐธรรมะนิพพานก็อย่างนี้